นี่เป็นบัพระองคการที่เจ็ดกรม พ, พันธุ์ปศาาุสัตว์สองพันหาร้อยห้าสิบห้าขินสิบห้าค่ำเดือนสามปีวกเราก็ได้ใช้ เ, เวลา ไม่ให้ใช้โดยที่ไม่เกิดคุณค่าการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นคุณค่าความรู้สึกตัวการเจริญสติเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญามันก็เป็นคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยปกติของปุติชนคนทั่วไปก็มันจะจมอยู่กับเรื่องราวต่างๆเกิดความสุขความทุกข์เกิดความพอใจไม่พอใจก็เกิดความคิด ที่มันหมกมุ่นตีบตันหาทางออกไม่เจอความคิดแบบพัมบนความคิดแบบดีความความคิดแบบฟุง้งซ่านไม่ได้ก่อสรุปที่แท้จริงมันก็เป็นชีวิตที่ สเปะ ส, สปะไม่รู้จะเดินไปทิศทางไหนพอจับหลักของการปฏิบัติรู้สึกตัว <c oughs> เห็นกายตามความเป็นจริงขณะต่อขณะ <c oughs> เห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา <c oughs> การเคลื่อนกา ร, <c oughs> การไหวแต่ละขณะกระพิตตาหายใจมีความเป็นเองกระทบร้อนกระทบหนาว มีเหตุปัจจัยที่มันเป็นเองเป็นกฎของธรรมชาติเห็นจนเป็นทุกข์นั่นน่ะนิสสารนทุกข์แกไขยังไงก็ไม่ได้ไหลไปสู่ความแก่ไหลไปสู่ความตายแกไขไม่ได้เตียงแก่เกี่ยวกองกับเขา ยังถูกต้องกําหนดรู้ด้วยการรู้รู้ว่าทุกทุกต้องกําหนดรู้แต่ละขณะต่ละขณะองการเคลื่อนไหวมันเป็นสภาวะทุกข์มันเป็นอาการทุกข์ของธรรมาชาติเราก็ไม่ยึดเอาเป็นเราทุกกูทุกมันก็ชีวิตกาดทุนอาการตัวขาดทุก ทุกจรมาต้องกินต้องขับถ่ายต้องเจ็บไข้ไม่สบายเป็นกล้งเป็นกลาวถึงเวลาก็ต้องแก้ไขป่อนคลบรรเทาป่วยก็กิกนยาหาหมอฉีดดอมอมทาผ่าตัดเนี่ยก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ได้ฝึกได้หัดมาก็ได้ใช้มันมีของมันมีเราก็ได้ใช้มีเงินก็ได้ใช้เงินมีความดีก็ได้ใช้ความดีมีกายวาจาใจก็ได้ใช้กายวาจาใจใช้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่า เราก็เลยเนะี่ย <c oughs> เกี่ยวข้องผ่อนกลายบรรเทาแก้ไขอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาของรูปธรรมอาการที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจเรียกว่านามธรรมความคิดนี่คือทุกอริยสัจวี่ทุกสมุทยัยในรธมักนี้เกิดที่จิตคิด คิดแล้วกเกิดเรื่องราวต่างๆางแล้วก็สมจริงอยู่เสมอในความคิดคิดล้มักจะเชื่อถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเราว่าเราก็เชื่อความคิดของเราก็เป็นทิฏฐิทันทีเป็นทิฏฐิอันหนักแน่นที่ฉาบสีเป็นความคิดที่ เป็นมายาภาพแต่ว่าเสมือนจริงมาก mm hmm. เราว่าเขาว่าความเป็นจริง mm hmm. นะี่คือสัจจะ mm hmm. ไม่เกี่ยวกับเราว่าเขาว่าแต่มันจริงอยู่เสมอ mm hmm. มันตรงอยู่เสมอปฏิเสธไม่ได้ mm hmm. เพราะฉนันการที่จะมีสติมีปัญญาน mm hmm. เราก็ต้องสร้างจากกฎของกรรมฐานก่อนกรรมฐานต่อยเกิดความมั่งคั่งเกิดปัญญาภาวนาขึ้นมาเป็นวิปัสนาญาณผลของมันก็คือจะรู้เท่ารู้ทัน ในสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเราก็มีปัญญาเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและทันทีและทันทีถ้าเป็นความคิดออกมาทันทีจนจิตมันสัมผัสได้ถึงความเป็นปกติตักกลางที่เข้าไปในความคิดถ้าไม่มีอาการ ของความเป็นปกติรองรับมันก็วันไหวบวกบวกลบๆ ฟ, ฟ, ฟูแฟบๆคุมดีคุมร้ายแปรปลวนทั้งวันพอเรามีสภาวะของผู้ดูฝึกสติเจริญสติจนมีอ น, นิสงส์สภาวะของตัวรู้ปรากฏมันก็จะได้ที่อยู่ อยู่ตรงที่ไม่เข้าไปเป็น <Yeah. S 2> อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร <Yeah. S 2> เห็นเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็น <Yeah. S 2> มันเป็นภาวะของผู้ที่มีอริยทรัพย์ภายในปรากฏ <Yeah. S 2> ไม่จนใจ <Yeah. S 2> มันจะไม่มีคำว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูก <Yeah. S 2> ไม่รู้จะทำยังไง ไม่มั่นใจตัวเองมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นตรงที่สุขง่ายทุกยากทุกครั้งที่เผลอมันก็จะรู้ว่าเผลอทุกครั้งที่หลงมันก็จะรู้ว่าหลงหลงได้มันก็กลับมาได้เหมือนกัน เราไม่ห้ามตัวหลงเพราะมีหลงจึงมีรู้ <Yeah. S 2> เราเห็นแล้วเวลาเรารู้สึกตัวที่ฐานกาย <Yeah. S 2> มันได้หลักการฝึกการหัดกรรมฐาน <Yeah. S 2> กรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งมันเป็นวิชาทันที <Yeah. S 2> วิชากรรมฐาน <Yeah. S 2> เห็นกายทันที <Yeah. S 2> เห็นกายในกายทันที yeah. มีกายดุนก้อนก็มีกายที่เป็นทัดรู้วิญญาณธาตุกายยะวิญญาณมีจิตมีใจมนโนวิญญาณก็รู้มีหน้าที่รู้มันก็เลยมีความฉลาดเล็กๆ เ, เกิดขึ้นมาทุกครั้งที่รู้สึกกับการเคลื่อนการไหวฝึกจนชำนาญ รรู้ชัดออเนี่ยคือสภาวะของตัวรู้ที่มันรู้ถูกมีความเป็นปกติปรากฏอยู่รับรองอยู่ mm hmm. กรรมกรกรรมการสถาปัตยกรรมวิศวกรรมอุตสาหกรรมนวัตกรรมธุรกรรมกรเกษตรกรรม ปฏิมา ก, กรรมจิตกรรมอนามัาสตางเกิดความมั่งคัง่งซัพภลายนอกมีเงินมีทองมีอยู่มีกินไม่ยากจนแต่ที่เรามาบวชกันอยู่วัดอยู่วานี่เป็นฐานของกรรมเรียนรู้จากฐานของกรรม ได้กรสติขึ้นมามีความสุขในโลกของโลกุตรธรรมสตางค์ใช้ในโลกของโลกิยธรรมซื้อหามาสมบัติปัดกันชมมือใครยาวสาวได้สาวเอาคนมีปัญญามากเอาเปรียบคนมีปัญญาน้อยแต่ว่าสติมันกลายเป็นเรื่องของการ เพื่อเผื่อแพร่แผ่นะกาเป็นเรื่องความเมตตากรุณานะการเป็นเรื่องอดทนนะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดนะภาวหุงกันองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีการตัดสรู้นะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ใช้คุณธรรมต่างๆ มีความเมตตากับช้างนาลากิลิงเทวทัตก็หมอมเล่าเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาดู้ายวิ่งเข้าใส่ผุตตองค์ภูตองก็ใช้เมตตาจนคนเกิดความอัศจรรย์ใจกันโอ้พลังของเมตตา ใช้ความนิ่งใช้สมาธิใช้ฤทธิปฏิหารต่างๆอันนั้นเป็นผลของกุณธรรมที่เกิดจากฝึกตนดีแล้ว mm hmm. เกิดอันนี้ส่งมากมายขึ้นมารอบตัวเป็นโล ก, กวิถนะูรู้แจ้งโลกรู้โลกภายนอกรู้โลกภายใน สติฐาน4่นะคือหนนทางเอกหนุทางเดียวสู่การรู้แจ้งการเห็นกายกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นด้วยปัญญาเห็นเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาก็คือเวลาเรานั่งแล้วก็มีอาการต่างๆเกิดขึ้นที่กายแล้วติดจิตใจของเราสุๆทุกๆ มันอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะทุกกายทุกใจไม่ว่าจะเป็นอาการเกิดที่กายที่ใจตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์ทั้งหมดเห็นจิตศัพ ว, ว่าจิตไม่ใช่สัตวตัวตนบุคคลเราเขาเห็นจิตในจิตมันไม่ใช่จิต ธรรมดาธรรมดามันจิตในจิตอาการต่างๆที่เกิดภายในจิตที่ปกติมากมายสติก็คือจิตเป็นนามที่รู้นามเป็นนามที่บริสุทธิ์หมดจดก็รู้อาการต่างๆของจิตเต็มเป็นการปรุงแต่งเป็นปุญญาที่สังขารนะปุญญาที่สังขาร มันยาบกันจิตละเอียดนะที่มันจิตธรรมชาติเดิมๆบริสุทธิ์พุทธพงเป็นพรมจันกร์อาการของจิตเดียนเป็นอบายภูมิเป็นสุขติภูมิมันมีอาการอย่างนะเงี้ยพอเวลาปฏิบัตินิพิติล้วก็ไม่ได้สนใจมันหรอกนะมีก็มีได้ ปีเตียคืออิ่มอกอิ่มใจฟูขนลุกขนพองรู้เบาเนื้อเบาตัวกายรลตาจิตตารูตาเบาเวลาปฏิบัติสังเกตดูเวลาตื่นเช้าเ้าจิตมันจะแจม่มว่างเบาตื่นตัวขยันมีความผ่องใสมีชีวิตชีวา เราสังเกตได้มันก็มีปิติอยู่ด้วยอันนี้เราก็รู้ทันเหมือนกันมีความสุขเกิดขึ้นมาสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัดติพลังสุขขังใจหรือเปล่าไปรู้นะสุขอื่น ปลเปนภาษาไทยยิ่งกว่าความสงบมันไม่มีสงบจากการคิดการปรุงการแต่งกิรลรู้ทันอันนั้นก็เป็นความสงบเล็กๆนะจาทางออกมาจากความคิดเห็นความคิดสมมติฐานของการคิดอันนี้นเป็นความสงบที่ยั่งยืนเหมาะแก่การงาน เพราะนั้นความรู้สึกตัวเป็นเป็นความรู้สึกตัวแท้ๆมันก็จะแสดงเป็นปฏิยาการต่างๆออกมาเหมือนกันความเป็นปกติภายในที่มันเด่นอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็จะเป็นสภาวะที่เกิดดับ อยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์เห mm hmm. มือนสภาวะของตัวรู้เองก็พร้อมถ้า mm hmm. หากว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่ากายที่มันเคลื่อนไหวแต่ละขนามันยังไม่ชัดมันก็พร้อมที่จะสุขที่จะทุกข์ธรรมชาติความเป็นกลางก็กลางพร้อมที่จะสุขพร้อมที่จะทุกข์ mm hmm. ตัวนี้แหละจึง เห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวของกายตั้งแต่ตื่นยันหลับมันไม่รู้อะไรก็รู้การเคลื่อนไหวของกายไปก่อนยิ่งปฏิบัติใหม่ๆนี่เห็นชัดเลยว่าการพูดของครูบาอาจารย์นี่มีผลสูงอย่ายุ่งกับความคิดอย่าเพิ่งไปหารายละเอียดอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันทาให้เราเออก็ รู้ขณะเดียวรู้ขณะเดียวเกิดอาการาปล่อยอาการวางปรงโปรงสังขารจิตตสังขารนไม่สนเลยเพราะว่ากรรมฐานฐานแรกต้องชัดเจนซะก่อนการเคลื่อนการไหวจากยาไปหาละเอียดเดินจงกรมยกมือ14บจังหวะเรื่อดูลมหายใจท้องปองยุบ อาการเหลียวซ้ายแลกว้าเราก็เก็บรายละเอียดของรูปธรรมรูปขันจนเห็นชัดเจนภายในใ น, นกลไกที่มีสติสั่งกายเคลื่อนไหวเราเห็นตัวสั่งตัวครั้งที่มีการเคลื่อนไหวจะมีการสั่งก่อนเจตนาตัวนี้นี่เองที่คือกรรมมาตรฐานเจตนาสั่ง เพราะถ้ไมเจตนาสั่งก็จะทำตามนิสัยอุปนิสัยและความคุ้นชินของกายจะมีการกำกับเอาไว้มีการกำหนดเอาไว้การนั่งละลุกอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดอ่อนมันจะเผลอทำตามเวทนาที่สั่งทำตามตัวหลงที่สั่งสั่งงานสั่งการเราบันที่ก็สั่ง ให้ทําอะไรมากมายแล้วเกินที่นอกเหนือจากการมีความเป็นปกติเคลื่อนอย่างไม่เป็นธรรมชาติมีอาการกระตุกมีอาการเกร็งมีอาการที่มันแสดงถึงสภาวะทุกข์มันบีบครั้นมันต้องการแก้ไขผ่อนคลายบรรเทาโดยที่ไม่ผ่านไม่ร้องขอตัวสติก่อนก็จะมีการกํากับมีการกําหนด มีกฎมีเกณฑ์มีกรอบมีกติกาเราก็ได้ใช้จนกระทั่งเหมือนกับจิตมันไม่ไม่ทุรนทุรายบางทีอาการนั่งของผู้ฝึกใหม่หรือเราที่เราเคยเป็นมันนั่งมันก็โอยนะมันไม่ไหวถึงขั้นเกรงกระตุกอะไรอย่างเงี้ย ใจมันไม่วางแต่พอเรามีการวางใจถูกเราก็จะเห็นว่าทุกข์ลจก็ส่วนหนึ่งในร้0ยเซนมันก็จะเหลือแค่ห้าสิบเรซ็นกผมลอกอาตมาก็มองเห็นว่าตรงนี้แหละที่เอาไว้ใช้เวลาเจ็บไข้ไม่สบายอนาคตเราอาจจะเป็น มะเร็งในกระดูกมะเร็งชนิดร้ายที่มันเจ็บปวดสุดๆเราจะได้ใช้ที่ฝึกซ้อมมานะประเชิญสอบให้ผ่านตอบโจทย์ตีโจทย์ให้แตกเห็นเวทนาสักว่าเวทนามันคือตรงไหนในภาษาเวลาเป็นภาคปฏิบัติมันตอบได้มันผ่านได้ มันตอบได้มันผ่านได้ขนาปฏิบัติเวลามันเจอข้อสอบจริงๆก็คงจะเหมือนกับที่เราสอบซ้อมอยู่แต่ที่นันที่สุดก็คือหลวงพเตียนบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องทนก็นได้ แต่ว่าให้มีสติการปรับเปลี่ยนผ่อนกายบรรเทาแก้ไขจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนั่งเหยียดเท้าก็ได้ขอเพียงเดียวว่าเคลื่อนไห ว, วให้รู้สึกตัวการที่จะลุกยืนหรือว่าเดินจงกรมเมื่อแล้วจะนั่งลงให้มีสติกำกับเอาไว้รู้การเคลื่อนไหวก็คเคยสังเกตเหมือนกันเวลาเรานั่งนานๆสัก หนึ่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนะี่ยเราตั้งใจเรียฝึกโดยที่ไม่ขยับเคยฝึกอยู่จะให้มันทะลุเวทนาก็สร้างเงินไขสมมุติให้กับตัวเองว่าเราได้นั่งทับเชือกนั่งทับเชือกกําลังที่เรานั่งทับเชือกน้ําหนักของเราที่ทับเชือกลงไปเนะี่ย เชือกมันก็โยงไปเราไปติดกับลอกตัวหนึ่งลอกที่หมุนได้เสร็จแล้วก็มีปลายมีดแหลมนะเป็นเหล็กมีน้ำหนักแหลมเปียกเลยแล้วก็จอตรงกลางกระหม่อมของเราเนาีในระยะที่สูงประมาณสองเมตรหนึ่งวานาะถ้าเราลุกเมื่อไหร่ มีดเหล็กอันนี้มันจะทะลุกระหม่อมของเรามันก็สร้างผ้าไว้แล้วเราก็นั่งลงไปในขณะที่มันปวดมันจะต่อรองดันดีเลยมันหลอกตัวเองเลยนะมันจะต่อรองก็คือตายหรือว่า ตอนนี้มีผู้ร้ายเข้ามากำลังมาป้นมาจี้แล้วก็เราเข้าไปซุกอยู่ในซอกเล็กๆของตู้ต้องงอตัวอยู่อย่างนั้นะขยับก็ไม่ได้เพราะว่าได้ยินแค่ลมหายใจของเราที่หายใจอยู่คือตายอย่างเงี้ยเคยสมมติแบบนั้นะแล้วก็นั่งทรมานดีเดียว ก็นั่งได้อยู่หลายชั่วโมงเป็นการเรียนรู้แต่ว่าไม่แนะนำให้ให้คนอื่นทำตอนนั้นมันไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะขยับผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขอย่างมีสติพร้อมเป็นทุกข์ที่จะต้องผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขทุกกาย ก็ฝึกทรมานตัวเองก็เหมือนสมัยเจ้าชจยสิทธัะนอนเสีย่ยนอนหนาบบำเพ็ญทุกขกากริยาในงแง่ดีก็คือทำให้กายอินทรีย์มันเข้มแข็งขึ้นเกิดตาบะาขึ้นมาทำอะไรก็ทำจริงแล้วก็ทนท่าทีสาคัญที่สุด ก, ก็คือจิตต้าหากว่ามันขาดความอดทนอดกลั้นภายใน ก็จะเข็ดไปซะก่อนการปฏิบัติแนวหลวงพุทธินยังเป็นสุขาวิปัสสโกคือปฏิบัติอย่างง่ายแล้วให้ผลอย่างเลิศไม่เหมือนกับสมะถะเวลาฝึกก็ต้องฝึกจกนกระทั่งมันทำอะไรได้เกินคนตัวตัวไปเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์ที่ปฏิหารต่างๆเราฝึกแนวเกินไหวนี่ เราไม่ต้องการฤทธิ์แบบนั้นนะเพียงแค่รู้เท่ารู้ทันการเคลื่อนไหวแล้วมีความพอดีผลอ่อนผลตามยอมรับไม่ขัดแย้งแล้เป็นธรรมชาติจะนั่งก็นั่งอย่างเป็นธรรมชาติจะเดินก็เดินอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาสุขาวายปัสสโก ปฏิบัติอย่างง่ายให้ผลอย่างเลิศนะก็จึงเป็นความสะดวกเราปฏิบัติได้ทั้งวันนั่งเดินยืนนอนปฏิบัติแต่พอดีใจเบาแต่พอดีมันก็จึงรื่นเริงกับการปฏิบัติได้ทั้งวันจะทำอะไรก็เป็นการปฏิบัติทำจะรับประทานอาหารจะเข้าห้องน้ำ จะขยับซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านต่างๆความคิดเกิดขึ้นมาครั้งใดเราก็รู้ทันถึงไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนเราก็กลับมารู้ที่ฐานกายของเราเลื่อยไปเพราะนั้นกายจึงเป็นเครื่องอยู่ เป็นของหยาบสามารถรู้ได้ทั้งวันขณะหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งขณะหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งเปลี่ยนเสมือนหยดเงินใส่กระปุกหยดแล้วหยอดอีกจนทั้งรู้ชัดกายก็คือกาย กายไม่ใช่จิตแต่ตัวชีวิตมันต้องมีกายคู่กับจิต <Yeah. S 1> การแยกรูปแยกนามถึงเป็นการสัมผัสรู้รูปนามเพราะว่ารูปนามไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้าจะแยกก็หมายถึงว่าตายคำว่าแยกรูปแยกนามคือตายจิตไปทางหนึ่งร่างกายก็อยู่อีกทางหนึง จิตก็มีบุญมีบาปไปต่อจิตคิดดีก็ไปสุติจิตคิดไม่ดีก็ไปทุกขติส่วนร่างกายก็ใช้ไฟเผาตต่เน่าเข้าลงเอาไฟไปเผาเกิดขึ้นมาทีแรกน้ำเกิดมาก่อน ชีวเราเกิดจากน้ำเกิดการปฏิสนธิขึ้นมามีธาตุไฟมีจิตเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วดินก็ค่อยๆประกอบตัวมาที่หลังเสร็จแล้วก็ไปที่หลังด้วยดินต้องใช้ธาตุไฟเผา มันก็เลยเป็นเรื่องของโลกคือละครโรงใหญ่ที่เราเป็นเพียงแค่ผู้แสดงตามบทบาทแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะยังถูกต้องตามหน้าที่ เ, เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเพระหน้าที่เฉพาะหน้าละ่ะคือการปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาทั้งวั น, นที่ต่อตัวเอง หน้าที่ต่อบุคคลอื่นหน้าที่ต่อโลกเราใช้ท่าสนะี่ขานหน้าทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เบียดเบียนสรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆถึงเบียดเบียนบ้างก็ น, น้อยที่สุดนะไม่เป็นกรรมเป็นธรรมชาติวันนี้นะคุณจรลนศักด์ก็แจ้งมาว่ า, วาจอหนังหลวงพ่ออมเขียน ซึ่งเป็นอัตโนประวัติเป็นชีวิตของหลวงพ่อคาเขียนตั้งแต่เป็นโยมจนเรื่องบวชเป็นพระสงฆ์รู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้เรื่องศาสนาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงก็ได้บอกต่อจนได้ทำหนะ้าที่เป็นประโยชน์ต่อโลกปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สัาราสิ่งต่างๆชี้นำผู้คนจนกระทั่งปัญญาชนคนทั่วไปก็มีความคิดว่าควรจะถ่ายเก็บเอาไว้ทำเป็นอัตโนวัติให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาเพื่อที่จะได้ ประพฤติวัดปฏิบัติรมตามเราจะได้มีอ น, นิสงส์มีคุณธรรมเกิดขึ้นมาเหมือนกับหลวงพ่อโลกนี้จะได้เกิดสันติสุขสันติภาพเดี๋ยวเราก็จะรอดูกันวันนี้นะเราเห็นว่าสมควรเกีนเวลาเรากลาบมาพร้อมกัน